การบวชก็ไม่ใช่ว่าคิดได้ง่ายๆคิดมานมนานการเวลา mm. หลายๆอย่างมาพร้อมกันจึงจะได้จึงจะบวชได้ไม่ใช่ว่าคิดขึ้นมาแล้วจะบวชได้ทีเดียวไม่ใช่อย่างนั้นเพราะนั้นการบวชเนี่ยเป็นเรื่องที่คอยมานมนานเป็นเรื่องที่ยากพร้อมที่จะบวชเพราะนั้น การบวชของพวกเราให้ใตะอกตั้งใจผู้ที่จะบวชเนี่ยข้าว่าผู้ที่บวช ด, ด้วยความตั้งใจเมื่อบวชเข้ามาแล้วอยากพี่น้องพ่อแม่ที่เข้ามาบวชก็จะได้เป็นบุญเป็นกุศลติดตัวของผู้ที่มาบวชอุทิศโลูกหลานไว้ในพระพุทธศาสนาการบวชในครั้งพระพุทธเจ้า จะว่าไปแล้วท่านบวชแบบม่ายท่านไม่มีพิธีรีตองเหมือนยุคสมัยนี้ยุคสมัยนี้การบวชลูกบวชหลานบางครั้งก็ทำจน เ, เกลิกเทหาสนุกสนานกินเหล้าเมาย า, ากะโมอหลศกภบนันอะไรหลายๆอย่างแต่การบวชของหลักพระพุทธเจ้าจริงๆบรมครูของพวกเราต้นตอศาสดาท่านไม่ได้ปวดแบบ เ, เกลิก ในประวัติพุทธประวัติพระพุทธเจา้าก่อนที่จะไปบวชออกจากเบียงจากวังหนีขโมยหนีการคือไปกับนันชันน่ะสองคนกับมา้าอันาตะตะพอคนนอนหนับสนิทท่านั้นขันขึ้นม้าในชันน่ะขี่ซ้อนท้าย หลวงปู่จามบอกว่าตามไม่จริงนายจะนะซ้อนท้ายมันจะไปเกาะหางได้ยังไงขกาะหามากเกาะหามากก็ตกไนยิตกปู่จา ม, ม่านะแต่ซ้อนท้ายธรรมดาเนี่ยนะซ้อน ท, ะะท้ายจิตตะทะแตไมท่นมานทรรม่ได้เป็นพวพุทธเจ้ากลายพอสมควรจากน้นทานหรอไปถึงแม่น้ำาปดเครื่อง บริหารอะไรออกนั่งพักมีแรงเสร็จเรียบร้อยก่นกรพระแสงขันคือดาบมาจับพรโมรีคือผมพระพแสงขันดาบที่ผมกริดก็ตัดตัดผมท่านเองไม่ได้แบบปงผมมางานเด็ดตัดจัดตัดตัดจากนั้นท่านก็มีผ้าบวช าตาสายะหรือผ่ายย้อมวยน้ำฝ่ยายจาวนั้นเขท่านกบ็บวชเป็นพระจะว่าพระก็ใช่ยจะเป็นฤาษีก่อใช่เพราะยังไม่ได้จัดรู้เพียงแต่ว่าเป็นปกัปปิยาที่ใช้บริขารในการบวชแต่นี้ก็มาถกเถียงกันเรื่องพระโมลีเทวรามารับ ่งบริขารพรมมาถาวายไอ้พวกเราอยู่เบื้องหลังจกตากันเถียงกันแต่ตามไม่จริงมันไม่น่าจะสิ่งที่จะเถียงโถกเถียงกันอันนี้นก็มาถกเถียงมาวิจารณ์กันแต่ตามไม่จริงท่านจะวางไว้ที่ไหนก็ได้เนี่ยเพราะ บ, บริขานของท่านถึงจะไม่ใช่พรมเอามาท่านก็รู้แล้วท่านจะไปบวชท่านจะเตรียมอะไรไปบ้างเหมือนกับเราจะไปเมืองกรหรือจะไป มาจากกรุงเทพหรือมาจากที่ไหนอ่ะที่ไหนเนี่มาพักที่วัดเราเราจะไปพักที่วัดปานาเขาน้อยคืนนี้เราจะเตรียมอะไรไปบ้างเนี่ยถ้าผู้เคี้ยวหมากก็ต้องเตรียมกระเช้าหมากมาถ้าใครเป็นโรคอะไรก็ต้องเตรียมยามาถ้าใครจะมาพักค้างก็ต้องเตรียมอะไรมาบ้างอันนี้เ พ, พูดะพรเจ้าท่านจะบวนี่ท่านจะเตรียมบริขารของท่านไปจะเป็นไรไปเพราะท่านจะบวชท่านจะบวชยังไงต้างาก็คิดไปแล้วจากท่านท่างก่อน บวชป็นฤาษีจากนั้นท่านก็ฮอเครื่องทรงของพระองค์ที่เป็นกษัตริย์มอบให้นายชนะไปกลับไปบ้านนะเอานี้ไปส่งเราจะบวชนะพอนายชนะไปไม่นานมากระลึกถึงเจ้าของคิดถึงเจ้าของก็หวัวใจวายหวัวใจแตจกตายกับนั่นนายชนะก็งคงหาวิธีเดินหาวิธีกลับบ้านเอง ก็ไม่รู้เหมือนกันว่านายชนะเดินไปยังไงถ้านายชนะยังมีชีวิตยอยู่พวกเราคงไปถามเมื่อม้าตายแล้วท่านเดินหรือท่านนั่งรถหรือท่านนั่งม้าใครกับอันนี้ก็ไม่มีตําราอีกจากนั้นพระพุทธองค์ก็อยู่ตามลำพังเป็นสิทธัตถะผมก็ตัดแล้วผ้ า, าก็ย้อมฝาท่านดูด้วยความสงบสุขอยู่ที่ ก่ฝั่งแม่น้ำเป็นเวลาถึงเจ็ดวันในใจของพระองค์พระองค์คิดลำพึงหรือว่าบัดนี้เราได้บวดแล้วตามที่เราตั้งใจเราเป็นอิสระเหมือนคนที่อยู่ในเครื่องคุมขังเครื่องพันธนาการแต่บัดนี้เหมือนกนเราออกจากเครื่องพันธนาการเครื่องคุมขังเป็นอิสระเหมือนคนที่เป็นโรคเราหายจากโรค เหมือนกรณ์ผที่เป็นนี่เป็นศีลพลุงพลังบัดนี้เราเป็นไทยเราไม่เป็นนี่เป็นศีลกับใครเราเป็นอิสระพระ อ, องค์อยู่ด้วยความเอติศอยู่ดกวนการอิสระไม่ไม่ไ ม, ม, ม, มีอะไรที่จะเป็นเครื่องหนักใจเหมือนกับคนที่พ้นจากเครื่องจองจำทั้งหลายเป็นอิสระในการเป็นอยู่พระ อ, องค์ มีความสุขอยู่อย่างนั้นถเจ็ดวันตรงกันข้ามกับผู้ที่เข้ามาบวชในพุทธศาสนาบางคนพอเข้ามาบวชแล้วพอหนีจากบ้านจากเืลนความสุขเล็กๆน้อยๆการดูดีกินดีเล็กๆน้อย ๆ, ๆอยถ้าเปรียบเทียบกับศิท ธ, ธพะพ่อเจ้าเห็นดินท่านมีพร้อมหมดทุกอย่างเวียงวังเซนาอมัด ร, ราชโทเวข้าทาสปริวารบริบูรณ์ทุกอย่าง ถ้าเปรียบเทียบกับสามัญชนของพวกเราแล้วถึงจะเป็นคนร่ำรวยแต่ออกข้อมาบวชแต่ถึงยังไงก็คือความสุขจะเปรียบเทียบกับศิษลปะสมัยนั้นแล้วคนว่เรื่องกันแต่นี้พุทธองค์ถึงจะมีความสุขอย่างนั้นก็ตามแต่คือเป็นความสุขอยู่ในที่คุมขังไม่อิสระแต่นี่พุทธองค์อยู่อย่างอยู่สงบสุขนีเ้เจยบว่นโดยที่ว่าไม่ได้สวยปกญญาหาั จากนั้นวันที่แปดพระพุทธองค์ก็ไปบินทบาทคือสมัยนั้นมีพวกพลูศีชีภัยเป็นนักบวชนอกศาสนามีระยะที่หาอาหารเวลาเช้าเพื่อยังประทังชวิตให้เป็นไปแต่สิทธะก็เช่นกับพืสศีเหล่านั้นท่านก็อุ่มบาทออกไปบินทบาทตามหมู่บ้านเขาก็าไม่รู้จักว่าได่คือใคร เขาไม่ได้ว่านี่คือพระเจ้าแผ่นดึงกรุงก บ, บินัพออกมาบวชไม่มีใครรู้ก็เป็นคนธรรมดาทั่วไปจิทัตเขก็ไปบินธบาตรคนทั้งหลายเห็นเออนักพรอนักบวช ด, ดือสีสีไฟเข้ามาขอข้าวมาขอบินับาตจากพวกเราจากนั้นเขาก็เอาอาหารใส่บาตรท่านจิทตถะ พอใส่เป็นที่พอพอฉันท่านก็มองดูในบาทเออเป็นที่พอฉันฉันขนาดไพอท่านก็กลับมาทีิพักพอกลับมาที่พักแล้วท่านก็มองอาหารในบาทของท่านพออาหารในบาทของท่านเต็มไปด้วยเต็มมันคละเค้าไปหมดไม่รู้จะหวานขาวไม่รู้อะไรที่ชาวบ้านเขาเด้ทานยังไงเขาได้กินยังไงเขาก็เทสลงในบาทของท่าน ใบนั้นใบที่ท่านอุ้มใบโพเทลงไปในบาทถ้าท่านทำมาถึงสถานที่ท่านก็มานั่งดูนั่งดูบาทของท่านสรุปแล้วก็คือท่านไปกินอาหารทานอาหารขานอาหารท่านไม่ได้เพราะอาหารนั้นมันคลาเค้ า, าไปทุกอย่างท่านมองดูแล้วจะจันได้แน่แต่ก่อนท่านเป็นไปเท่าเป็นดินอาหารการบริโภคทุกอย่าง ซ้อนเงินช้อนทองสำรับกับข้าวประดาบุตไปด้วยเพชรมินกินดาแต่บัตรนี้อาหารอยู่ในบาทเป็นคนละยางกันทีนี้ท่านก็มองดูในบัตรฟอมองกูในบาทเสร็จแล้วท่านก็สอนท่านเองท่านไม่ได้สอนใครสอนท่านเองท่านก็บอกว่าสิทธะ แต่ก่อนเธอเป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่บัดนี้เธอเป็นทักพทษเป็นนักบวชเป็นฤาษีที่จะบำเพ็ญสแสวงหาทางพ้นภ์เราแสวงหาอาหารได้มาด้วยปีแข่งด้วยลาแข่งของเราผู้ที่เขาบริจาคอาหารเขาก็ทานอย่างนี้เขาก็กินอย่างนี้เขาจะให้มาอย่างนี้ แต่ก่อนเธอเป็นพระเจ้าเป็นดินดูแบบการจรูงให้การทับทานจะแบบทํำยังไงเรื่องอยังไงก็ได้แต่บัด น, นี้ชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทําตัวให้เขาเลียกง่ายไม่ใช่ว่าเขาให้ยังนี้สองการย่างอันนี้ข้ากินไม่ไดอันนั้นค่าช้ำไม่ได้เมื่อเขาให้อย่างไรรับอย่างนั้น ไหนพอจะจับได้เราก็จับอันไหนก็จะทานได้เราก็ทานเราจะเลือกเหมือนเป็นครว่ไปหาซื้อในตลาดไม่ได้เป็นนักพศตบวดต้องเป็นผู้อดทนเราต้องการอาหารร้อนในของเย็ดเราต้องการอาหารเย็นๆนน้ําเย็นๆในของร้อนบางทีก็ได้อย่างที่ต้องการบางทีก็กลับตรงข้าม อันนี้จะเป็ชีวิตของนักพรนักบวชต้องเป็นผู้อดทนอันนี้ศิลธรรท่านสอนท่านอย่างนั้นจากน่านท่านก่อนแบบที่ว่าหลับหูหลับตาฉันเลยวนะันนีน้นันฉัาฉันเป็นวันแรกอิกมหยุดจากนั้นล้างบาทเก็บทำจิตส่วนตัวต่อไปพิจารณาความเพรียตามที่ว่าคิดเห็นว่า สิ่งไหนที่จะที่จะบ ร, รรย์ทําทําผิดผิดถูกถูกทำไปหมดพวกอย่างอดภัคยาหารชันภัคยานชั้นหานแบบศาสนาอื่นๆที่เขาทําศาสนาอื่นเขาทำยังไงศิทธะรำเกือบหมดทุกศาสนาพุกตัทถ์ในยุคสมัยนะัน้นปณิชุาก็ได้เข้าไปศึกษากับดาบดราลาณบบอุตตรการดาบสองดึงสีท่านเป็นผู้มีสมาธิและฌาน แก่กล้าในยุคสมัยนั้นพระพุทธสิทธถะเข้าไปศึกษาก็จบจบในตำนานจบในสาต์ไม่มีอาจารย์ที่จะปิดบงังศิทธถะศิธถะจบหมดอาจารย์ได้อย่างไงดาราตบทรตกาดาบทได้อย่างไรศีทธถะได้อย่างนั้นจบอย่างนั้นแต่ท่านสิท ธ, ธัตถะมองว่ายังไม่ใช่ยังไม่ใช่หนทางลาอาจารย์ออกมาอีก บำเพ็ญด้วยตนเองการบำเพ็ญทดสอบทดลองอยู่อย่างนั้นเป็นเวลาถึงหกปีมันไม่ใช่น้อยนะเสนาสนาที่พักพาอาศัยใครจะรู้จักว่านี่คือศิริธถรมคือพระเจ้าแผ่นดินพระองค์อยู่แบบเป่าเปี่วเดียวได้อยู่แบบป ล, ปลนๆจากนั้นก็ท่านกบ็บำเพ็ญเป็นเวลาถึงหกปีอย่างที่กล่าวนะ่ะผลที่สุด บรารมีของพระองค์ก็แก่กล้าแล้วก็การบำเพ็ญทุกอย่างตลอดจนอดอดพระกาย า, ารทั้งสี่เก้าวันเกือบจะเอาตัวไม่รอดจากท่านท่านก็กลับมาสวยประกยายหารอีกผลที่สุดวันเดือนหกเพ็ญเป็นวันที่พระองค์ตัดรู้บรรลุธรรมในวันนั้น นายโสธยะเอาหญ้าคาแปดกำมือมาถวายพระองค์ก็เปลี่ยนที่ขคมต้นโพแลหัรหน้าไปทางทิศตะวันออกนั่งขัดสมาธิอย่างาพระพุทธรูปที่เรามองเห็นองค์หน้าของเราเนี่ยนั่งขัดสมาธิอย่างนี้นั่งขัดสมาธิเพชหรหันหน้าไปทางทิศตะวันออก และลึกถึงสมัยเมื่อท่านเป็นสิทธัตถะบอกว่าสมัยเราเป็นเด็กเล็กไปแลกนาขวานกับพระบิดาคือสมัยนั้นคือแลกนาขวัญคือพระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้ลงมือเองจับไถ่ไถนาเองเอทําพิธีแลกนาขวาัญสิทธัตถะไปกับพี่เลี้ยงแม่เลี้ยงพี่เลี้ยงพอไปถึง ต้นวาร่มต้นว่าใหญ่เขาก็ให้ท่านนอนพักผ่อนโกพี่เลี้ยงน้านมทั้งหลายก่ออยากจะไปดูพระเจ้าปเป็นดนแรกนากวันหลีกไปหมดศีต ถ, ถ่าะให้ก่อนนอนหลับพอตื่นขึ้นมาไม่เห็นใครท่านก็นั่งขัดสมาธิจะมาเป็นเด็กๆแบบนั่งขัดสมาธิแล้วท่านสมดลมหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกติดพระองค์เข้าสู่ความสงบเมื่อเขาสู่ความสงบแล้วเกิดเป็นดานฌานเกิดเป็นฌ า, านญาณทัศนะในขณะนั้นนี่ว่าอันมีพิเหารจนถึงกับว่าร่มต้นว่าที่เฉนียงไปตามแบบที่มันโอยไปทางทิศตะวันตกพระอาทิตย์โคยไปทางทิตะวันตกตามปกติ ตนว่ามันก็ได้ต้องส่องเข้าไปถึงสิจัฏฐ์แต่วันนั้นตัวยพิณิหารด้วยบุญดาวรมีของอสิจัฏฐ์ตนว่าเหมือนตรงเหมือนกับกรดของพระที่ลมไม่พัดไม่ไหวอย่างนั้นแหะมันอยู่ตรงไหนไปหยุดตรงนั้นเหมือนกับกรดพระที่ท่านกลางไปแล้วอสิธัฏฐานั่งอยูโคนตนอยู่ต้นว่าร่มว่ากับคุ้มคลองแสงแดดเข้าไม่ถึง เป็นที่แปลกใจในคนบรรล์สมัยนั้นตอนนี้พระพุทธองค์ท่านนั่งอยู่ที่โคนต้นโพท่านก็ระลึกถึงื่นที่สมัยเราเป็นศิริษฐาเป็นเด็กเราได้กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นกรรมฐานอันนั้นกำลังจะเป็นหนทางที่จะเท่าจุกความสงบได้จากนั้นศิริษฐาท่านก็กําหนดลมหายใจเขา้าหายใจออกที่โคลนต้นโพ จิตของพระองค์เข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบแล้วเกิดาการคัชนะและรชาติหนหลังได้ในปฐมมัยานคือตอนหัวคำ่ำอุกเพนิวาสานสติยานเร า, เรารกชาติหนหลังได้ว่าชาติที่แล้วเราเป็นอะไรเรามาจากไหนจะมาที่นี่เพราะปุณธรู้หมดยานของพระองค์เป็นยานที่ แก่กล้ามากด้วยบุญญาบารมีของพระ อ, องค์ระลึกชาติอนหลังเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นแสนเป็น ล, ล้านชาติจนนับกาลนานนับไม่ถ้วนว่าเกิดมาเป็นอะไรบ้างพอถึงเที่ยงคืนพระ อ, องค์กำหนดให้ละเอียดลงไปอีกจิตเข้าสู่ความสงบจุดตัวปัตจายการจุตติของสัต์ สารพัดสัตว์คือมาจากไหนมาเกิดที่นี่ออกจากนี่แล้วจะไปที่ไหนอันนี้พระองค์ก็รู้อีก ร, รู้หมดทุกวิญญาณทุกัวสัตว์ทั้งหลายมนุษย์คนทั้งหลายเทวดาทั้งหลาย ร, รู้หมดไว้ดูในพั บ, พบภูมิเป็นยังไงออกจากไหนมามาอยู่ที่นี่งไปที่มันออกจากนี่ไปที่ไหนเยพอโวนจะสว่างพระพุทธองค์พิจารณาให้ละเ อ, อีกลงไปอีก มาวิญญาณใจมาจากไหนจึงมาเป็นเรื่องราวอย่างนี้พุทองค์กับพิลานาถงลงไปเป็นปฏิจจสมุปบาทคืออวิชชาไปถึงอวิชชาปัิญาสร้างข้าวาราสร้างคาราปัิยาวิญญาณานาิย า, า, น, า, านานามัจรายเจริญพระจารย์เวทนาตนาอุปทานภพชาติชรามานะโสกะปริเทวทุกขโทมนานะโสกุปปายาล้วนแล้วมาจากตัวอวิชชา คือตัวไม่รู้ น, นั้นคือพื้นฐานของจิตจากนั้นพระโต้องออกพิจารณาถึงจุดนั้นรู้แจ้งเห็นจริงปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมัน่นโดยประการทั้งปวงพระองค์ก็จุดพ้นจากอาสวะที่เละรู้ว่าพระองค์หมดที่เละแล้วหลุดพ้นจากบ่วงแห่งมารพบชาติตรามระเสียแล้วหลุดค้นจาน เรื่องพันธนาการคือกิเลสราคะโทสะโมหะตักกิเลสค่ะออกจากใจของพระองค์นี่แหละพระ อ, องค์มันลุกทำมนรนลุกที่ใจแต่ว่าการพิจารณานั้นพิจารณานัานกำหมดลมหาใจเขาออกเป็นพื้นฐานดวงตนคนนั้นกรรมฐานของพระพุทธเจ้าจะไปพูดสถานที่ไหนก็าตามยืนยันได้เลยว่าพระพุทธเจ้าเข้ากรรมฐานทีแรกกรําหนดลมหายใจเขาเขาออกใจไหม ตามพุธกธประวัติต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้นะคือการบวชของพระพุทธเจ้าบวรมครูของพวกเราืโดยการบวชอย่างพยศะอย่างนี้ท่านก็เป็นบุกเศรษฐีมีครอบครัวมีพ่อมีแม่บรารมีท่านแก่กล้าท่านไหนออกไปกลางคืนเลยะนี้แบบที่มีจุดหมายปลายทางเขาก็เบื่อโลกจริงๆ เบื่อจริงๆเบื่อของประสาทมันมองดูแล้วเหมือนกับดูในที่อึดอัดคุมขัดเดินออกจากบ้านตัวเองไปป่าชาทีนี้ขัดข้องเนาะที่นี้บุญวายเนาะทีนี้ขัดข้องเนา ะ, ะที่นี้บุญวายเนาะเดินไป <c oughs> พระพุทธองค์อยู่ในป่าชาตามลําพังแต่พักที่ที่นั่นพระพุทธเจ้าของเราเดินทางที่จะไปสู่กรุงเราจะคือไปพักที่ที่ป่าชาพระพุทองค์เห็นยศเดิน ม, เด น, น, นมาอย่างนั้นบ่นมาอย่างนั้น พระพุทธองค์ก็ ต, บตอบทันทีว่าที่นี้ไม่ขัดข้องที่นี้ไม่วุ่นวายที่นี้ไม่ขัดข้องที่นี้ไม่วุ่นวายเนยี่ยยศศาก็เข้าไ ป, ปากราบพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์แสดงําให้ฟังสองต่อสองในกลางคืนนี่แหละถ้าคนบา ร, รมีแก่กล้างบา ร, รมีถึงแล้วมองโรคทั้งหลายแหล่เป็นสิ่งที่วุมวายเป็นสิ่งที่ขัดข้องทั้งหมดเ ผลทางแห่งธรรมะเป็นผลทางที่เปิดโลงที่จะเดินไปสู่มรรคผลนิพพานเนี่ยอันนี้คือพุทธประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าพูดแบบสังเขปที่เข้าใจง่ายๆจากนั้นท่านก็ไปโปรโดรันแต่ว่าคีทั้งหาเป็นพระสงฆ์สาวกครั้งแรกว่าเป็นวันอาส า, ารหบูชาเป็นวันตั้งรากมันตั้ง กดเกฑ์เป็นวันวันที่ครบพระไตรสรณคมคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คือวันอาสาฬบูชาไปโปรดเจนปัญจวกีทั้งหาเป็นพระสงฆ์ขึ้นมางานนี้บครบพระไตรสรณคมเือว่าเป็นวันสําคัญในทางพระพุทธศาสนาคือวันอาสาบูชาคือวันเข้าพรรษาวันเข้าพรรษาคือแรงค่ำหนึ่วันสิบห้าค่ำ เดือนแปดขึ้นสิห้าคำเป็นวันอาส า, ารหัตบูชาที่พวกเรานานึกถึงเป็นวันพระไตสรสารณครครบบริบูรณนะ์นี่แหละผู้ที่บวชเมื่อบวชเข้ามาแล้วว่าให้ตั้งใจให้เป็ดพระที่แท้จริงให้บำเพ็ญทานบำเพ็ญศีลบำเพ็ญภาวนาให้เต็มความสามารถถ้าเป็นกระาว า, าติแย่จงกระว่าทานศีลภาวนา เทาเป็นพระว่าสิลสมาธิปัญญาให้บำเป็นศินสมาธิและปัญญาเพราะคาว่านั้นมีโพภะษสมปัตต้องมีมทานและก็มีศิลและก็มีภาวนาแต่สําหรับพระเป็นผู้ตักเครื่องดุ่งเหยื่อบุญวายเป็นนักบวชท่านให้รักษาศินท่านบริสุทธิ์แล้วก็ทํำสมาธิและก็พิจารณาทางด้านปัญญา อันนี้คือหน้าที่ของพระถ้าเราทาอย่างนี้แล้วบุญกุศลก็จะเกิดขึ้นมาได้พวกญาติผีน้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ทานต่เลี้ยงดูเรามาท่านก็จะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกเราเพราะว่าพวกเราทุกคนทุกทันที่เกิดมาอยู่เดี๋ยวเนี้ยเราได้มาจากใคร ร่างกายของเราขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งได้มาจากพ่อแม่พ่อแม่เป็นผู้ให้มาเพราะฉะนั้นถึงพ่อแม่จะตายไปแล้วก็ตามก่อนเนี้ที่่หนให้มาก้อนทุนที่อันให้มาเนี่ยยั่งดูกับเราถ้าว่าเราทําชั่วเยพ่อแม่คงไม่ได้อะไรเปล่าประโยชน์แต่ว่าลูกนี้ทําตัวไม่ดีทําให้เสียหายผลปีขาดทุนสูงสั้นแต่ถ้าว่าลูกหนี้ดี ทำตัวเป็นคนดีเอาก้อนนี้ที่พ่อแม่ให้มาเนี่เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ไปทํามาหาเลี้ยงชีพจากนั้นก็ไปสอบแสวงหากําไรได้มาแล้วก็ได้ส่งให้เจ้านี่คือพ่อแม่ของเราพ่อแม่ของเราก็ได้รับที่ลูกนี่ที่ซื่อสัตย์ส่งให้แต่ถ้าวันลูกนี้ไม่ซื่อสัตย์ไม่ได้ส่ง ถูกทําคุณงามความดีเอาตัวเองก็จะไม่รอดอยู่แล้วเกิดขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาพ่อแม่เลยงมาใหญ่ขึ้นมาแล้วเนี่ยมีแต่กินเหล้าเมายาจุรานณารีภาชีกีลามแบบม่วไปหมดแล้วจะเอาอะไรสง่งทุนให้แก่พ่อแม่ได้เพราะตัวเองก็จะเอาตัวไม่รอดอยู่แล้วเพราะนั้นพวกเรา ท, ทุกท่านที่เข้ามาบวชในพุทธศาสนาหรือเป็นฆราวาสก็าตาม ควรจะสำเนียกสำนึกอยู่เสมอว่าเราได้ทดแทนบุญคุณของพ่อแม่อย่างไรเพราะนั้นการบวชในพระพุทธศาสนาก็คือเป็นการทดแทนพระคุณของบิดามารดาส่วนหนึ่งจากนั้นก็เป็นบุญกุศลสำหรับสำหรับตนเองอีกส่วนหนึ่งเพราะนั้นถ้าว่าพระพุทธเจ้ากเกิดมาแล้วอยาประมาทในคําว่าอยากประมาคทคานี้เป็นคําที่กว้างกวางที่พระพุทธเจ้าที่ท่านจะ ลาโลกท่านหลับตาลาโลกที่ท่านจะใจขาดที่ท่านจะลาโลกท่านจะไป็มาเกิดเป็นอนันตการแตท่านกล่าวเป็นปาจาสุดท้ายว่าขยะวิยะธรรมมาสร้างฆาราอปมาเดนะสัมปาเดทาติขอท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์นและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมเพื่อความไม่ประมาทเถิดอันนี้คือปัจิมโอวะจากนั้นพระองค์ก็ปิดพระโอษฐ์ไม่โพูดอะไรอีกต่อไป ทำการปรินิพพานเนี่ยคําว่าประโยชน์ตนนันประโยชน์ท่านทุกคนที่เกิดมาในโลกถ้าดูด้วยความไม่ประมาทสมัยเราเป็นเด็กเราก็ไม่รู้เรียงสาภาวะก่อนแล้วไปแต่พอเราเป็นหนุ่มเราก็มัวเมาอยู่ในความหนุ่มอันนี้เราเป็นเรื่องที่มัวเมาแต่ถ้าพอวัยหนุ่มเกินวันหนุ่มขึ้นมาแล้วเราควรจะอ่านชีวิตของเรา เราเกิดมาตั้งแต่เราเกิดมาเราทำอะไรบ้างเมื่อเป็นหนุนเป็นสาวเราทำอะไรบ้างในขณะนี้เดี๋ยวนี้เราทำอะไรบ้างเดี๋ยวนี้เรากำลังเดินเข้าสู่วัยชราห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเราได้ทำอะไรบ้างเรามีแต่คิดสนุกสนานเพลิดเพลินสนุกสนานเป็นมันวันไปโดยที่เราไม่ได้คิดว่าอนาคตมันจะเป็นอย่างไรหรือจะเป็นยังไงก็ชัาง อย่างนั้นหรือเราหรือว่าเราจะแก้ไขยอย่างไรในชีวิตของเราถ้าว่าพวกเราอ่านชีวิตของตนเองตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงบัดนี้และก็อ่านไปถึงอนาคตว่าชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรถ้าพวกเราอ่านชีวิตของตัวเองคิดทบทวนอยู่เสมอเราจะเป็นผู้ไม่ประมาทแต่ ถ, ถ้าเราไม่คิดอะไรเลยอะไรไมะเกิดก็เกิด ปล่อยปากหน้าเลยหลยกระสิไปตามกระแสะของน้ำอันนั้นแปลว่าผู้ประมาทไม่ได้คิดหาวิธีที่จะปรับปรุงแก้ไขกายวาจาใจของเราให้สูงขึ้นมีแต่ทำตามอำเภอใจทำตามกิเลสความต้องการภายในใจของเราอันนี้ในหลักของพุทธศาสนาพุทธเจา้าว่าเป็นผู้ประมาทเพ น, นั้นพวกเราให สำเหนียดสำนึกไปพยายามอ่านชีวิตของตัวเองตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงปัจจุบันเดียวนี้เราเป็นยังไงแล้วอีกวันข้างหน้าเราเป็นยังไงคุณงามความดีของเราที่ได้ทำมาแล้วเป็นที่เป็นเครื่องอุ่นใจหรือยังเมื่อเราออกจากชาตินี้เราจะไปยังไงบุญกุศลของเราที่ได้ทำไว้มีหรือยังเราได้เตรียมไว้หรือยังเป็นที่อุ่นใจหรือยัง เหมือนเราจะเดินทางไปต่างประเทศเราได้เตรียมเงินไว้หรือยังเราต้องไ้เดินทางต่างประเทศแน่ๆไม่วันใดก็วันหนึ่งเราได้เตรียมไม่ได้เงินที่จะเดินทางไปต่างประเทศน่นแต่ถ้าว่าเราไม่ได้เตรียมเงินไว้ถึงคราวแล้วก็าก็จับโตกไปเราคิดว่าเราจะมีความสุขไหมไปต่างประเทศหาเงินจะซื้อกินก็ไม่มีสิ่งเหล่านี้แหละพวกเราควรจะ คิดทบทวนดูให้ดีชีวิตของเราเนี่ยเราจะต้องจะแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งบุญกุศลเท่นั้นนะที่จะพาพวกเราไปสู่ภพภูมิต่างๆสรุปแล้วก็คือตายแล้วไม่จุ้ตายแล้วเกิดอีกแน่นอนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่เคยเห็นได้ยินเป็นผู้หีปีสัเว์หลอกคนที่นันที่นี่นพวกเรากลัวกันอย่างนั้นกลัวผีเก็คือกลัววิน ญ, ญานั่นเอง แต่ทําไมพวกเราไม่เห็นทุกคนอันนี้พวกเรายังไม่มียานนณทัศนะอย่างที่พระพุทธเจ้ารู้เห็นเบื้องต้ น, นที่หลวงพ่อกล่าวเบื้องต้นนะอปุเพเนวาสารสศติยานเราไม่มียานตัวนั้นถ้าพวกเรานั่งสมาธิภาวนาเกิดยานนัทธสระขึ้นมาเราจะมองเห็นได้ว่าในอดีตชาติเราเป็นอะไรเราชาติหน้านี้เราจะเป็นอะไรเพราะฉะนั้นชาติหน้ามีจริงชาตินี้มีจริง อดีตชาติมีจริงเมื่อวานมีไหมมีวันนี้มีไหมมีวันพรุ่งนี้ล่ะมีไหมเราก็ต้องปดตอบว่ามีเพราะว่าเมื่อวานมันมีแต่นี้ก็เหมือนกันชาติหน้ามันก็ต้องมีเพราะอดีตชาติมีปัจจุบันนั้ชาติมีชาติหน้าก็ต้องมีแต่เมื่อชาติหน้าอะถ้าเราไม่ได้เตรียมไว้วันพรุ่งนี้อะมีชาติมินพรุนี้ชาติที่เราไม่ได้เตรียมไว้เราไม่ได้สร้างบุญกุศลไว้ ไม่ได้คิดว่ามันจะมีชาติหน้ามันไม่คิดว่ามันจะมีวันพุ่งนี่เรามีอะไรเราโสงหมดกินหมดใช้หมดพอมันโผล่มาวันพุ่งนี้เราจะทําอะไงเราก็ต้องหาใหม่หาใหม่บางทีก็ทุกโจนไปเรื่อยๆแต่คนมีการเตรียมพร้อมมาอยู่เสมอเก็บพร้อมรอมิบไปอยู่ไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆวันพุ่งนี้เราคิดเตรียมไว้ว่าวันต่อไปเราจะใช้อะไรอันนี้เป็นผู้ไม่ประมาทเพรฉนั้นพวกเราทุกๆท่าน บังเพนไว้นะอยากมาวันนี้ก็มาบังเพนมาสร้างบุญสร้างกุศลแบ่งหัวลูกหลานไว้ในพระพุทธศาสนาสืบพ่ อ, พ, อรพระพุทธศาสนาให้ยาวนานเท่านานอัน น, น, น, นี้เป็นบุญกุศลก้อนหนึ่งที่พวกเราเก็บสั่งสมเก็บพร้อมรอมริบใครเข้าไปถ้าจะเป็นเด็กนักเรียนเลยว่าเก็บคะแนนเก็บคะแนนไปเรื่อยๆในแต่ละวันแต่ละเวลาแต่ละตีแต่ละเดือนเก็บคะแนนไปเรื่อยๆจนถึงจุดจบ เมือม่ อ, อไรบดลมหายใจเข้าออก เ, เมื่อนั้นแหละแต่ว่าจุดจบของชีวิตของเราใครได้คะแนนมากน้อยก็จะรู้ใ น, ใ น, นในวันนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราเข้ามาบวชในพุทธศาสนาผู้ที่บวชเขาตัองอต้งอกตั้งใจถ้าเป็นอกตั้งใจและบุญกุศลก็จะสมบูรณ์บริบูรณ์ญาติพี่น้องพ่อแม่ก็จะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลอย่างจากพวกเราอยากเต็มที่พวกเราผู้ที่บวชก็ บวชหรือจะบวดมากบวดน้อยก่อนเอลาสิกขาไปก็ภาคภูมิใจว่าเราได้บวดพุทธศาสนาได้ทำปฏิบัติอย่างเป็นที่รักษาสินโพนาเป็นความสามารถของพวกเราวันนี้หลวงพ่อเองก็ได้พูดพอเป็นแนวทางสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายก็ให้นำไปคิดไปพิจารณาไตรตรองดูนะสรุปแล้วก็คือสอนให้ตั้งในความไม่ประมาท นรกสวรรค์ตายแล้วไม่สูงภพน่าชาติน่านมีจริงไม่ใช่ตายแล้วหนับสูงไปไม่ใช่ตายแล้วเกิดอีกถ้าเรามีบาปบาปก็จะนําไปสู่ทุกขติถ้าเรามีบุญบุญเกิดจะนําไปสู่สุคติถ้าเราปกครองอยากจะรูต้ตายแล้วเกิดตายแล้สูนรกสวรรค์มีจริงหรือไม่นั่งภาวนาอันนี้เระคือหลักพิสูจน์ในทางพระพุทธศาสนา ถ้าว่าเราเพียต่นึกเดาเอาเฉยๆว่ามันไม่จริงมันไม่ใช่ี่ตายและศูนย์อันนี้เป็นความคิดของเราความคิดของเราน่าเชื่อถือขนาดนั้นเลยแล้วเราคิดอะไรถูกทุกอย่างใช่ไหมก็ไม่มีใครรับรองถึงขนาดนั้นอันนี้พระพุทธเจ้าท่านรับรองมาแล้วท่านรู้มาแล้วท่านเห็นมาแล้วท่านพิจามาสอนพวกเราถ้างพวกเราอยากจะพิสูจน์ก็พิสูจน์ตามที่พระพุธทพพเธเจ้าที่ท่านสอนไว้ เมื่อพิสูจน์แล้วทุกคนก็ยอมรับทั้งหมดอยากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาของพวกเราตั้งแต่หลวงปูเ่เสาหลวงปู่มันท่านอยู่ภูผาป่าไม้ภูผาป่าไม้ป่าเขาลําเนาไทยทุกยากยังลงมือประพฤติปฏิบัติอยู่ในป่าเขาจนเป็นที่พ่อพอใจที่พวกเราได้กลับไปไหว่อยู่ทุกวันนี้คื อ, อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเหล่านั้นเป็นผู้แนะนําสั่งสอนพวกเราเพราะนั้นพวกเรา อยากจะรู้จักว่า เ, เรื่องตายเกิดนรกสว่างอย่างไรก็ให้พวกเราประพฤติปฏิบัติตามแนวแถวที่ท่านอบรมสั่งสอนอีกสักวันหนึ่พวกเราก็คงจะรู้แจ้งจริงๆอย่างที่ท่านทางพวกเราจริงจังนะถ้าพวกเราเพียงแตักไม่เชื่อแล้วก็ไม่ลงมือประพฤติปฏิบัตินะเดี๋ยวว่าจะจบกันหนละังคงไม่มีใครที่จะมาแนะนําสั่งสอนพวกเราเหมือนกับเราพวกเราคิดเกียรติอ่านหนังสือ ที่เกียดเขียนที่เกียดอ่านก่อไกลพ่อขายอังอ่านไม่จบอแล้วก็ปาหมาดคนอื่นเขาจะไปรู้อะไรแล้วคนที่เขารู้เขารู้แต่ตัวเองที่เกียดจะไปรู้ได้หรอย่างไงพราะนั้นถ้าเราเรียนรู้เราก็จะรู้อย่างท่านเหมือนเพราะนั้นปกญาตโยมทุกท่านนะตะบุกตั้งใจบำเพ็ญทานศีลภาวนาแล้วก็บรรภูงนี้เพวกเราจะได้บวชพระไว้ในพระพุทธศาสนา จากนั้นก็จะได้แยกย้ายกันครับแล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะพระที่อยู่ที่นี่ก็มีหลายองค์หลายผู่หลายคนพระทั้งหมดสัมสิบเอดสามสิบสองมาจากต่างทิ่นหลายถิ่นหลายสถานที่มาอยู่ร่วมกันต่างองค์ก็ต่างอยู่ด้วยความร่มเย็ยนเป็นสุขก็ไม่มีอะไรนะตามที่หลวงพ่อดูเปนหลวงพ่อสังเกต มีอะไรก็ตามอกสามใจภาวนาของกายของเรามาบำเพ็ญว่างั้นเถอะบำเพ็ญอย่างพรอพูดถึงเจ้าสิทธัตถะพาบำเพ็ญ น, นั่นแหละพวกเราก็บําเพ็ญมามบำเพ็ญศีล ส, สมาธิปัญญาตามความสามารถจากนั้นก็โลกอนิจจังภพกังหันตาเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนจากกันต้องเป็นท่านตายนั่นแหละขอแต่ถึงกำหนดอ้าวกลาิีผาไปอคนที่อยู่คนอยู่ไปะ ผู้ที่จากไปเที่ยวไปพโลกนั้นโลกบัรจางจใจอย่างยีนถาวร อ, อยู่ไปไม่ได้ฉะนั้นการพูดของหลวงพอ่อก็ไม่มีอะไรแต่ว่าท่านผู้ใดข้องใจอยากจะถามในการบวชปันญผงนี้หรือมีอะไรที่จะถามอะไรก็ถามได้นะท่านหลวงพ่อรู้หลวงพ่อก็จะตอบให้ฟังนะถ้าได้ยินเสียงวกวอกกาแต่เสียงหมูป่าน หมูป่าในวัดหลวงพ่อมีเยอะนะเนื้อที่ทั้งหมดพันกว่าไร่วัดของเราเนี่ยกำแพงล้อมรอบหมดเออ่ะหาที่พักกันนะ